10. ฉันทะอัตตวาคมณะสิกขาบท133ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้เมื่อยังมีเรื่องที่ต้องวินิจฉัยอยู่ในสงฆ์ไม่ให้ฉันทะแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารกใครตอบ ทรงปรารบภิกษุรูปหนึ่งถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่งเมื่อยังมีเรื่องที่ต้องวินิจฉัยอยู่ในสง์ไม่ให้ฉันทะแล้วลุกจากอาสนะลีกไปในฉันทะอัตตวาคามะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือ เกิดทางกายวาจากับจิต